วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันวิความการหาความสุขนี้มีสองวิธีด้วยกันวิธีที่เราทำกันตามปกติก็คือการหาความสุข จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพต่างๆอันนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่จะหากันแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่แน่นอนเป็นวิธีที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงจึงทรง สอนให้ลองมาหาความสุขแบบที่แน่นอนแบบที่ไม่สิ้นสุดลงเหมือนเปตือนร้านอาหารเราเคยกินร้านอาหารนี้มานานแต่ร้านนี้ไม่แน่นอนอาจจะปิดลงเมื่อไหร่ก็ได้หรืออาจจะย้ายไปที่อื่นก็ได้เวลาที่ร้านปิด เราก็จะไม่มีอะไรให้เรากินสู้มาร้านใหม่นี้ดีกว่าร้านของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันปิดเปิดตลอดเป็นให้บริการอาหารตลอดเวลาและเป็นอาหารที่อร่ อ, รอยๆกว่าอาหารที่ร้านเก่าที่พวกเรากำลังไปรับประทานกันอยู่ การหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเป็นโลกกระทเป็นความสุขของโลกกระมส่วนการหาความสุขจากการมาวัดมาหาความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนา ปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการหาความสุขที่เรียกว่าสันติสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงชนะรสของลูกเสียงกลิ่นรสปฐพะชนะรสของลาบยศสรรเสริญ มีความหนักแน่นกว่าให้ความอิ่มความพอมากกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะและเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนที่เราสามารถที่จะหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตาม เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงจะมีภัยแรงมีภัยธรรมชาติต่างๆมีฟันพิษมีอะไรต่างๆหรือมีอะไรหรือมีอะไรกับร่างกายของเราเองต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุด ถ้าเราหาความสุขแบบเก่าหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆพอร่างกายเราแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะลำบากหาไม่ไดอ้อย่างง่ายดายเหมือนสมัยตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน แล้ทอ้าเวลาตายไปเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากนาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผพัฒพ์ได้เลยแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติเหล่านี้จะอยู่ในใจเรา จะให้ความสุขกับเราต่อไปไม่ว่าร่างกายเราจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายเราจะตายหรือไม่ตายอันนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อความสุขที่เราหาจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาถ้าเราไม่มาฝึกกัน ไม่มาลองทำกันพอถึงเวลาที่เราจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจะทำไม่ได้เหมือนกับถ้าเราไม่หัดว่ายน้ำไว้ก่อนถ้าเราลงเรือไปเวลาเรือล่มเราจะจมน้ำตายกันแต่ถ้าเราหัดว่ายน้ำไว้ก่อน พอเรว่าน้าเป็นแล้วเวลาหลงเหลือเรือล่มเราก็จะไม่ตายเราจะว่ายน้ำได้ น, นี้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าวิธีการหาความสุขที่เราหากันอยู่ในปัจจุบันนี้มันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยความ อุปสรรคต่างๆแล้วก็ความสุขที่เราได้ก็เป็นความสุขเชื่วประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปปล่อยให้ใจเราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้งทั้งๆที่สิ่งที่เราได้ก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆ เราต้องหาของใหม่ๆของแปลกๆมาให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปทันทีแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถหาได้เราก็จะไม่มีความสุขกันมีอุปสรรคเยอะมากมีตัวแปรมากในการหาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่แน่นอนเขาเกิดขึ้นได้เขาก็ดับได้เขามาได้เขาก็ไปได้เราไม่รู้ว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เวลาเขาไปก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายร่างกายของเราก็ไม่แน่นอน เราก็ไม่แน่ว่าเราจะมีกำลังวังชาที่จะหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ได้ไปอีกงานสักเท่าไหร่แต่การหาความสุขจากการทาบุญทาทานจากการนักษาศีลจากการภาวนานี้เราสามารถหาได้ตลอดเวลา คือเราไม่จําเป็นจะต้องทําบุญทําทานไปตลอดทานถ้าเราไม่มีเงินทําเราก็หยุดทําได้ทานนี้เป็นเพียงแต่เป็นขั้นบันไดให้เราได้ไปปฏิบัติไปรักษาศีลไปภาวนาพอเรารักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็จะสามารถมีความสุขได้ไม่ว่า ร่างกายเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าลาบยศสรรเสริญของเราจะมีอยู่หรือไม่มีเราอาจจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญไปเราอาจจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทธพธะได้แต่ถ้าเราภาวนาเป็นเรารักษาศีลได้เราจะไม่เดือดร้อน เรายังสามารถหาความสุขได้ต่อไปและเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอไม่ใช่เป็นความสุขที่ให้ความหิวความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มแต่มันจะให้ความหิวพอได้มาแล้วจะไม่พอ ได้มาชามแล้วอยากต้องกินอีกชามหนึ่งได้มาร้อยหนึ่งแล้วก็อยากจะได้มาพันหนึ่งได้พันหนึ่งก็อยากจะได้มื่นหนึ่งมันจะมีความอยากความหิวความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่จะให้เราพอแต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี่มันจะทำให้เราพอไม่อยากได้อะไร ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรออยู่เฉยๆก็มีความสุขอไม่ต้องมีเงินมีเงินหมื่นก็อยากจะให้มันเหลือพันมีเงินพันก็อยากจะให้มันเหลือร้อยเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อนั่นเองก็เลยจะไม่ค่อยมีเงินมีทองเก็บเอาไว้เพราะเพราะว่ามีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ถ้าไม่จำเป็นจะต้องเก็บก็จะเอาไปทำบุญทำทานแทน น, นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าท่งค้นพบส่งค้นพ บ, นพบและส่งนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเพราะส่งห่วงใยพวกเราเพราะถ้าพวกเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้ต่อไปเราจะ เราจะเดือดร้อนกันอย่างแน่นอนไปถามคนแกด่ดูไปถามคนเจ็บไข้ได้ป่วยดูไปดูคนตายดูซิว่าเขาสามารถหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่ในตอนนี้ได้หรือเปล่าถ้าเขาถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาหาไม่ได้เป็นยังไงลองหยุดสักวันเลยลองหยุดหาลาบยศฉรเริญ ลองหยุดเช่นวันพระนี่ลองมาอยู่วัดสักวันหนึ่งดูยวมามาหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพ ะ, ะมาถือศีลแปลดกันแล้วถึงจะรู้ว่านี่แหละเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะได้เราจะรู้สึกอย่างไรต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะร่างกายของเรามันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นจะไม่มีการหาความสุขแบบที่กำลังหากันอยู่ในขณะนี้ไม่เชื่อลองลองมาลองมาอยู่วัดสักวันถือศีลแปดดูสิว่าจะรู้สึกอย่างไรทำไมไม่มาอยู่กันก็เพราะว่า รู้ว่าถ้ามาอยู่วัดมาเทสินแปะก็ก็จะไม่สามารถไปหาความสุขอย่างที่หาได้นั่นเองจะไปหาเงินทองก็ไม่ได้จะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ไปงานเลี้ยงก็ไม่ได้ไปชอปปิ้งก็ไม่ได้นี่คือการให้เรามาสัมผัส กับเวลาที่ร่างกายของเราหรือเวลาที่เราไม่มีความสามารถที่จะหาราบยศสรรเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงดีที่ว่าเวลาเรามาอยู่วัดเรามีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คอยสอนให้เราหาความสุขแบบใหม่มาแทนที่ถ้าเราไปอยู่เฉยๆอยู่วัดเฉยๆถออ 8, เถอศีลแปดแล้วไม่ได้ฝึกจิตตภาวนาไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธินี่จะไม่มีความสุขเลยจะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากได้อยากทําอยากดูอยากฟังอยากอะไรต่างๆ แต่ทำไม่ได้นั่นแหละคือสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปเวลาที่ร่างกายของพวกเร า, เาแก่ลงไปเจ็บนงเจ็บมากขึ้นแก่ลงไปมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นแล้วก็ตายไปช่วงเวลาจะตายก็ทรมานมาก นี่เพราะว่าเราไม่ได้มาหัดหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดเถาะกันนะถ้าเรามาฝึกอยู่เรื่อยๆมาอยู่วัดในวันพระหรือถ้าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถทำรักษาศีลแปะได้ที่เราสามารถปฏิบัติทำได้ ก็ถือว่าเป็นวัดเหมือนกันแต่ที่วัดก็ดีอยู่ตรงที่ว่ามีครูมีอาจารย์ด้วยเพื่อเราไม่เข้าใจเราทำไม่ถูกทำไม่เป็นก็สามารถถามได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเองก็อาจจะหลงทางได้เพราะการปฏิบัตินี้มันเป็นเหมือนกับการเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไป เราไม่รู้ว่าทิศทางที่เราควรจะไปไปนะทิศทางไหนเวลามาถึงสีแยกไม่รู้ว่าควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปดีแต่ถ้าเรามีคนสอนคนบอกก็จะรู้ว่าอาถึงตรงนี้แล้วต้องเลี้ยวซ้ายถึงตรงนี้แล้วต้องเลี้ยวขวาถึงตรงนี้แล้วต้องตรงไปถ้ามีคนคอยสอนคอยบอกการหาความสุข ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ผิดพลาดไม่คว้าน้ำเหลวนี่แหละคือวันพระทำไมพระตจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพราะถ้าไม่กำหนดเราก็ไม่มากันเห็นไหมถ้าไม่ใช่วันพระก็เป็นวันที่ต้องไปทา ม, มาหากินถึงแม้าจะเป็นวันหยุดก็ไม่เข้าวัดอยู่ดี พวันหยุดก็เป็นวันไปหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายกันไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันไปหาความสุขแบบชั่วคราวความสุขประดิวประดาวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอกลับมาบ้านก็หายไปหมด น, นี่คือจึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมา วันพระสมัยที่พระเจ้าทรงกาหนดนี้เป็นวันตรงกับวันหยุดสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้เขาใช้ปฏิทินทางจันทรักติที่เราที่ทางาศาสนาเรายังใช้กันอยู่แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทางคารวะญาติอยู่ไม่ได้ใช้ปฏิทินทางจันทรักติแล้วใช้สุริยคติใช้ตามสากลญ ใช้ตามการโครจรของดวงอาทิตย์ไม่ได้ใช้ตามโครจรของดวงจันทร์วันหยุดสมัยนี้จึงไปหยุดที่วันเสาร์วันอาทิตย์กันเพราะเป็นวันหยุดสากลสมัยนี้เราเป็นโลกสากลเป็นโลกที่เราต้องติดต่อกับนาน า, นาชาติเขาหยุดวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าเราไปหยุดวันจันทร์ เดี๋ยวก็ทำงานติดต่อกันไม่ได้ธนาคารเ็าหยุดเสาร์อาทิตย์แต่เราบริษัทไปไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์อย่าไปติดต่อกับธนาคารก็ติดต่อไม่ได้อย่าไปติดต่อกับบริษัททางร้านก็ติดต่อกันไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีวันหยุดของเราสมัยโบราณนี่เราหยุดวันตามวันพระกันเราหยุดตามวันขึ้น ขึ้นแปดค่าขึ้นสิบห้าค่ำหรือแลมแปดค่ำแลมสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำเราเอาวันของพระจันทร์มาเป็นวันหยุดกันแปดค่า ข, ขึ้นแปดค่าก็หมายถึงว่าพระจันทร์เริ่มสว่างขึ้นไปแปดวันแะถ้าแลมแปดค่าก็แสดงว่าพระจันทร์เริ่มพระจันทร์เริ่มจะมืดไปแปดวันแล้ว ถ้าขึ้นสิบห้าค่ำก็แสดงว่าพระจันทร์สว่างเต็มดวงพอแรมสิบห้าค่ำก็แสดงว่าพระจันทร์มืดเต็มดวงอันี้คือการใช้ปฏิทินในสมัยโบราณใช้ตามการโคจรของดวงจันทร์ดูวันวันมันเต็มว่าวันพระจันทร์เต็มดวงกับวันพระจันทร์ดับประมาณสิบห้าวัน ก็มาแบ่งเป็นสองสองสองส่วนแปดวันส่วนหนึ่งเจ็ดวันส่วนหนึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยเราจะทางพุทธศาสนาในวันหยุดจะหยุดแปดวันบ้างเจ็ดวันบ้างนานๆก็จะหยุดหกวันเพราะว่าพระอาจารย์บางทีมันดับสิบสี่มันไม่ได้ดับที่สิบห้ามันมืดที่วันที่สิบสี่ไม่ใช่มืดวันที่สิบห้า เราจะมีแรมสิบสี่ค่ำอันนี้เป็นวันหยุดทำงานสมัยโบราณสมัยโบราณเวลาหยุดก็ไปวัดกันไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปฟังเทศน์ฟังธรงธรมแล้วใครที่อยากจะลองอยู่วัดก็อยู่ต่อถือศี 8, แลแปดปฏิบัติอยู่ค้างคืนหนึ่งคืน เพื่อจะได้มาฝึกสร้างความสงบสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนะแต่สมัยนี้ยุคเวลาเปลี่ยนไปวันหยุดของเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตรงกับวันพระแล้วมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะเนื่องจากเราต้องติดต่อกับต่างประเทศเราก็ต้องหยุดพร้อมกัน เขาหยุดเสาวอาทิตย์เขาได้เปลี่ยบเพราะศาสนาเขาสอนให้เขาวัดวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ยังไปวัดของเขาได้อยู่แต่เรานี่ไม่ได้หยุดวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าไม่ได้ตรงกับวันพระก็ไม่ไม่ได้เป็นวันที่จะไปวัดกันเพราะทางวัดก็ยังรักษาธรรมเนียมของวันวันวันแรมอยู่วันขึ้นวันแรมอยู่ ตามวัดนี้จะมีกิจกรรมเฉพาะวันวันพระถ้าไปวันธรรมดาก็จะไม่มีพระมาเทศให้ฟังไม่มีการ อ, อ ย, อยู่อยู่วัดไหว้พระสวดมนต์ฝึกสมาธินั่งสมาธิกันก็เลยทำให้คนไทยเราห่างวัดมากขึ้นเพราะว่า วันที่ย้ายเข้าวัดก็ต้องไปทํางานวันที่เอหยุดก็ไม่ได้วันที่วัดเขาเปิดให้เข้าก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันนานๆจะมาตรงกับวันเสาร์ที่สักครั้งหนึ่งสองสามเดือนก็จะเจอสักครั้งหนึ่งวันพระจะตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันอาทิตย์วันนั้นก็ไม่เข้ากันแล้วเพราะไม่เคยเข้ามาสนานมันเลยไม่รู้จะเข้าไปทําไม เครไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปเที่ยวที่นั้นวันเสาร์ทิศนี้ส่วนใหญ่มกักจะไปาตามสถานที่ท่องเที่ยวกันไปรีสอร์ทนั่นรีสอร์ทนี่กันหรือไม่ฉช่นนั้นก็ไปศูนย์การค้ากันไปโรงภา พ, พ ย, ายนตร์กันก็เลยไม่มีเวลาที่จะเข้ามาศึกษามา สร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าความสุขที่พระพุทธเจ้าได้สองคนพบนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อเรามากยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธระมะอันนี้ถ้าเราไม่ สนใจที่จะเข้าหาศาสนาถ้าปล่อยให้มีเหตุการณ์ดึงเราเข้าไปนานๆเราก็จะเข้าไปสักครั้งหนึ่งเข้าไปก็ไม่ถึงศาสนากันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวศาสนาอยู่ที่ไหนกันเพราะเราไม่ได้ศึกษากันเพราะว่าส่วนใหญ่เราเข้าไปวัดเราก็คิดว่าวัดอยู่ที่พระพุทธรูปเนีย ไปถึงก็ต้องไปที่โบสถ์กันไปที่โบสถ์เพื่อจะได้จุดธูดเทียงทำบูชาเพราะเชื่อว่าการบูชาพระพุทธรูปนี้เป็นมงคลเป็นคุณเป็นประโยชน์แต่มันความจริงแล้วมันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรมากมายนะไม่ได้เป็นวิธีการเข้าหา พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เข้าหากันการมาวัดนี้ให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้มาหาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ได้ให้มากราบจุดธูปเทียนสามดอกกราบแล้วก็ขอพรกันขอให้รวยยิ่งขึ้นขอให้กิจการทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ขอให้แถวขาดปลอดภัยอยากได้อะไรก็ขอกันไปเสร็จแล้วก็บอยเอาเงินใส่ตู้บอยจากกันบ้างแล้วก็จบคิดว่านี่ได้มาวัดแล้วได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธแล้วแต่นี่มันเป็นเพียงเปลือกของชาวพุทธเป็นเหมือนเปลือกของผลไม้คนที่ไม่เคยกินผลไม้ ก็จะกินเปลือกกันอะพวกฝรั่งไม่เคยกินทุเรียนพ่อปอกทุเรียนก็กินเปลือกทุเรียนกันเะว่ามันดีกรอบดีไม่ลองไปกินเนื้อดูเนื้อกลับไม่ชอบเพราะมันเหม็นอาจจะโยนทิ้งไปก็ได้ต้องให้คนที่เคยกินบอกว่านี่แหละเนื้อของกินของอร่อ ย, อยตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเข้าวัด คนที่เขาไม่ถึงศาสนานี้ก็จะไปติดอยู่ที่เปลือกกันเด็ดอยู่ที่วัตถุมงคลกันบางทีเข้าวัดก็เพื่อไปหาวัตถุมงคลเพราะมีความเชื่อว่ามีพระห้อยคอแล้วจะปลอดภัยแควกคาดปลอดภัยจะมีความเจริญนุ่งเรืองซื้อพระไปตั้งไว้ที่บ้านอะไรทานองนี้ก็จะไม่เคยเข้าถึง ตัวเนื้อของศาสนาหลังท่านก็คิดว่าเข้าไปเพื่อนิมนต์พระไปบ้านไปสวดมนต์ที่บ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดทำบุญอะไรเพราะคิดว่านี่เป็นการหาความสุขหาความเจริญให้แก่จิตใจอันนี้ก็เป็นเปิืกมันมันไม่ได้เป็นเนื้อหนังมันไม่ได้ให้ผลแบบ ที่เต็มๆ เ, เหมือนกับการที่เราได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วเราพอศึกษาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยๆรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเพราะผลที่จะได้รับนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนอีกทีหนึง่งผลที่เราจะให้ ให้ลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ต้องอยู่ที่การภาวนาอยู่ที่การฝึกจิตเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละถึงจะเป็นตัวเนื้อจริงๆการทําบุญทำทานนี่ยังถือว่าเป็นเปลือกอยู่หุ้มห่อเนื้ออยู่ก็ได้ ก็กินได้ถ้าเป็นเปลือกส้มอานนี้ก็เอาไปเอาไปทำอะไรผสมน้ำตาลก็ยังพอกินได้อยู่แต่มันไม่อร่อยเท่ากับเนื้อส้มนะการทำบุญทาทานก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจในระดับหนึ่งให้ความสุขได้ในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นความสุขระดับผิวผิวส้มอยู่ถ้าอยากจะได้ ความสุขระดับเนื้อนี้ต้องกินเนื้อกินเนื้อส้มมันอร่อยก็เปลือกมันหวานมันมันเย็นมันชุ่มฉ่ำอันนี้ก็การจะเข้าถึงเข้าถึงศาสนาเข้าถึงวัดนี้ต้องเข้าที่คําสอนอเราจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นศูนย์กลางของ ของศาสนาเป็นแก่นของศาสนาเป็นเนื้อของศาสนาถ้าอยากจะเข้าอยากจะกินเนื้อของศาสนาอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเลยต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งสามองค์นี้ทาหน้าที่แทนกันได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็หาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิธีสร้างรถแห่งธรรมให้เกิดขึ้นมา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าก็ฝากไว้ที่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวลาที่เราจะพกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัสะจาคูบาอาจารย์ปัสะจาศาสดาเพราะพระธรรมคำสอนต่างๆที่เราได้สั่งสอนไว้แล้วพวกเธอกำลังจดจำกันอยู่นี่เป็นจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไป พระตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนไว้ต่อหลอดระยะเวลา45ปีนี้ได้รับได้มีการจดจําแล้วก็ถ่ายทอดกันมาในในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระที่มาบวชนี้มีหน้าที่ท่องจํากันสวดกันคําว่าสวดก็คือท่องจํานั่นเองสวดมน์มนก็คือคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ก็สวดกันเพื่อที่จะได้อนุรักษ์คำสอนของพระเจ้าไว้จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้เรามีสื่อต่างๆที่เราสามารถเก็บบันทึกไว้ได้มีหนังสือในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้เขาก็เอานังสือจากพระไตรปิฎกไปใส่แผ่นซีดีไปใส่ในอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นข้าคำคำสอนอันเดียวกัน ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีพระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนที่พระไตรปิฎกเหมือนกันเพราะเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้อันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้า ก็เรียนจากพระธรรมคำสอนก็ไดห้หรือก็ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเรเรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะพระธรรมคำสอนนี้มันมีมากมาย mm. ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนไเพราะเขาไม่ได้เรียงลำดับไว้กอไก่ขอไขอ่เขาเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประวัติของพระพุทธเจ้า แล้วก็พระพุทธเจ้าส่งแสดงทมสั่งสอนแต่ละครั้งก็สอนในแต่ละระดับไม่เหมือนกันครับสอนพระพุทธเจ้านี้มันรวมตั้งแต่ตอนหนึ่งอนุบาลไปถึงปริญญาเอกเลยเห็นเวลาใครมาเปิดตำราดูไม่รู้ว่าตอนหนึ่งเริ่มต้นที่ตรงไหนมัธยมอยู่ตรงไหนก็จะยากแต่ถ้ามีคนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านจะรู้ว่าปหนึ่งอยู่ตรงไหนมหนึ่งอยู่ตรงไหนปตีอยู่ตรงไหนท่านก็จะสอนไปตามความสามารถของผู้ที่มาศึกษาผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาไม่รู้เรื่องเลยก็สอนปหนึ่งไปก่อนผู้ที่พอจะเข้าใจแล้วก็สอนมหนึ่งมีหลายระดับด้วยกัน ถ้ามีคนรู้อย่างนี้สอนมันก็ง่ายกว่าง่ายกว่าไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเนาพระไตปรปิฎกนี่มีถึงแปดหมื่นสี่พันบทเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบทไหนเป็นยังไงขั้นไหนเป็นขั้นของปหนึ่งหรือขั้นของมหนึ่งหรือขั้นของปริญญาแต่บางคนที่มีความฉลาดก็บางทีอ่านแล้วเขาก็จะพอสรุปข้อความได้ เขาอาจจะไม่ต้องมีคนคอยสอนก็ได้ถ้าเขาอา่านแล้วเขาพอจะแยกแยะได้ว่ า, อ, าอันนี้เป็นบทที่หนึ่งนะเป็นระดับที่หนึ่งอันนี้ระดับที่สองอันนี้ระดับที่สามาการจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องปฏิบัติขั้นที่หนึ่งก่อนถึงจะขึ้นขั้นที่สองได้ขั้นที่สามได้แต่สมัยนี้เราก็มีพระ ที่ท่านมาจัดคำสอนให้เป็นขั้นๆได้เดีย๋ยวนี้เขามีหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกเนี่ยถ้าเราไม่เคยรู้เรื่องของคำสอนองุฏะเจ้าเลยก็ลองไปซื้อหนังสือหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกมาอ่านก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเอามีไว้สอนสอนให้พระก็ตามแต่ถ้าเราสนใจก็ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดเราสามารถศึกษาได้ แต่เพราะว่าโดยปกติส่วนใหญ่ผู้ครองเรือนศรัทธาญาณโยมจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับการมาศึกษาพราะธรรมคำสอนกันก็เลยคิดว่าจะศึกษาต้องบวชกันแต่ความจริงไม่จำเป็นใครก็ศึกษาได้ถ้ามีความสนใจอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเองก็ได้ ถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปหาพระที่ไหนที่จะสอนให้เราได้อย่างชัดเจนเี่เราก็ไปซื้อหนังสือหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกมาอ่านก็ได้ก็จะมีสอนหลักธรรมขั้นต่างๆว่าเราต้องเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างแต่ถ้าเราไปศึกษามั่งมากเข้าเราก็จะ ได้ข้อสรุปว่าอ๋อสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่มันก็มีแค่สามขั้นใหญ่ๆนี่ขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาเราก็ลองมาสำรวจดูว่าเราทำขั้นไหนได้หรือยังขั้นที่หนึ่งเราทำได้หรือยังเรายัางเสียดายเงินเรายัางอยากเอาเงินไปใช้กับความอยากอยู่หรือเปล่าการทำทานนี้ท่านหมายถึงให้เอาเงินที่เราไปใช้กับกิเลสตัณหานี้ มาทำบุญเพราะเราต้องการหยุดกิเลสตัณหาไม่ต้องการป้อนกิเลสตัณหาให้มันมีอิ่มหมีพีมันการใช้เงินตามกิเลสตัณหานี้เท่ากับการไปเลี้ยงกิเลสตัณหาให้มันมีกำลังมากขึ้นเราไม่ต้องการให้กิเลสตัณหามันโตเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหามันเป็นศัตรูของพวกเรานั่นเอง มันเป็นผู้ที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับพวกเราพวกเราต้องคอยกําจัดมันไม่ใช่ไปคอยเลี้ยงมันแต่เราไม่รู้กันถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าการเลี้ยงกิเลสตัณหานี่เป็นการให้เรามีความสุขกันเพราะอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อกันเอซื้อของที่ไม่จําเป็น อยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆเดินไายตามห้างเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าเห็นกระเป๋าเห็นเครื่องประดับอะไรต่างๆเห็นเครื่องสัมมาอะไรต่างๆอดซื้อไม่ได้กันทั้งๆที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่เห็นแล้วคิดว่าถ้าได้ซื้อมาแล้วจะมีความสุขก็ต้องท่านหมายถึงให้เอาเงินทองที่จะซื้อของแบบนี้ไปทำบุญ เพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหยุดซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆหยุดซื้อของตามความอยากต่างๆอยากจะเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวเอาเงินไปทําบุญที่วัดแล้วไปอยู่วัดดีกว่าไปเที่ยววัดดีกว่าไปเที่ยววัด ไ, ไ, ไปไปศึกษาพระธรรมคําสอนดีกว่าไปปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนดีกว่านี่คือความหมายของการทําฐานะ ทำทางเพื่อกำจัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยากต่างๆนี้เราจะต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันไม่หมดเงินหมดแต่ความอยากมันไม่หมดนะพอเงินหมดทำยังไงความอยากยังอยากใช้เงินอยู่ก็ต้องไปหาเงินมาใช้อีกเราก็จะวุ่นวายกับการทำมาหาเงินหาทองกัน ามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไปกับความอยากแต่ความอิ่มความพอในใจไม่เกิดขึ้นเลยยังหิวเหมือนเดิมแต่ข้าวของเต็มบ้านไปหมดแทบที่ไม่มีที่นอนพอซื้อมาด้วยความอยากพอได้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วแต่มันไม่ได้ให้ความอิ่มมันให้เรามีนความสุขดีใจเดี๋ยวเดียวดีใจตอนที่เราได้ซื้อมาเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะทำให้เราต้องดิ้นหนนหาเงินหาทองถ้าเราต้องการหาเงินหาทองมากๆหาเงินแบบง่ายๆหาเงินแบบเร็วๆ เ, เรามักก็จะหากันแบบไม่ถูกต้องเรียกว่าหาด้วยวิธีทำบาปโกหกบ้างหลอกลวงบ้างาพูดไม่จริงบ้างถามแม่ค้าดูเลซือ้อต้นทุนเท่าไหร่ เขาบอกเท่านู้นเท่านี้เชื่อได้ไหมไม่เชื่อไม่ได้หรอกถามว่าลดลดได้แค่นี้โอ้ลดสุดสุดแล้วถ้าลดต่ำกว่านี้ก็ขาดทุนเนี่ยต้องหลอกแบบนี้กันคนคนต่อจะได้ไม่ต่อไปมากกว่านั้นถ้ายังบอกว่ายังลดได้อีกนี่ก็ต้องต่อกันต่อไปใช่ไหมยันเวลาแม่ค้าเขาบอกว่าธรรมาค้าขายนี้ย รักษาศีลยากรักษาศีน่ายากจะพูดความจริงไม่ได้เอพูดแล้วจะขาดทุนจะขายแล้วจะไม่ได้กําไรก็เลยต้องมีการหลอกลวงกันอ น, นี้เป็นเป็นการทําให้เราต้องทําให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้เมื่อเราไม่รักษาศีลเราจะขึ้นไปสู่ขั้นภาวนาไม่ได้ มันเป็นขั้นบันไดงั้นขั้นแรกเราต้องอ่หยุดการใช้เงินใช้ทองตามความอยากต่างๆพอเราไม่ใช้เงินตามความอยากแล้วเงินทองจะเหลือเยอะเราแบ่งเอาไปทำบุญก็ได้หรือเก็บไว้ก็ได้ถ้าเรายังต้องใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นอยู่เราก็เก็บไว้แต่เราจะสามารถลดการทำงานให้น้อยลงได้เมื่อถ้าเรา หาเงินเพื่อมาใช้ตามความอยากนี่เราจะไม่มีเวลาไปวัดเลยถึงแม้จะเป็นวันหยุดวันพระก็อยากจะหาเงินต่อก็จะโอกาสเข้าวัดนี่แทบจะไม่มีแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยากเราจะมีเงินทองเหลือเฟือที่เราจะทำให้เราไม่ต้อง ทำงานทุกวันดล่นลนทุกวันเราก็จะสามารถแบ่งเวลาไปวัดได้ไปวัดเพื่อที่จะไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาไปหัดรักษาสีนัน่อพอฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าต้องรักษาศีหห้ากันให้ได้นะเพราะศีหห้านี้เป็นตัวที่จะช่วยกำจัดกิเลสตัณหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในที่ ในที่ต่ำต่อไปชีวิตของเราไม่ได้ตายตอนที่ร่างกายตายมันไม่หมดตรงนั้นจิตใจที่มากับร่างที่มาครอบครองร่างกายนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปถ้าไปทำบาปไวเนี่ยเวลาตายไปจะต้องไปใช้บาปบาปในอบายก่อนจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทวดา ไม่ได้ไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลถ้าทำบาปไว้นจะต้องไปใช้บาปในอบายถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปใช้บาปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่ พุ่มห่อด้วยความกลัวมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวให้ให้เสพให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆเรียกว่าสุลกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็จะไปนรกเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทําบาปผู้ที่ไม่รักษาศีหน้า พระพุธเจ้าบอกว่าไปแบบนั้นไปแล้วทุกข์ไม่ให้ไปแบบนั้นวิธีที่จะไปแบบไม่ทุกข์ก็คือให้รักษาศี่ห้าไว้ให้ดีเพราะถ้ารักษาสีลห้าได้เวลาตายไปนี่ไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องใช้บาปนายบายถ้าไม่ได้ทําบุญไปไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้มาเป็นมนุษย์กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยอันนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนขั้นที่สองถ้าเราทำทานได้เราจะรักษาศีลได้เพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินมามากๆเพราะเราไม่มีความอยากใช้เงินตามความอยากต่างๆนั้นเนองเงินที่เราทำมาหากินเราก็หาทำมาหากินด้วยวิถีสุดจริตได้ไม่ต้องโกหกหลอกลวงคน เป็นแม่ค้าเขาถามว่าลดได้ไหมลดได้ก็บอกลดได้ลดไม่ได้ก็หวังลดไม่ได้เขาจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่เขาเราไม่ง้อเข า, เอาไม่ต้องมาโกหกหลอกลวงเขาเอานันนี้เพราะเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเงินมากถ้าเราใช้เฉพาะกับสิ่งที่จำเป็นนี่มันน้อยมากเงินส่วนใหญ่ที่เราหมดไปนี่หมดไปกับสิ่งไม่จาเป็น หมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆหมดไปกับการเที่ยวการเล่นเงินเงินที่เราจําเป็นจะต้องใช้ก็แค่ปัจจัยสี่เท่นั้นค่าข้าววันรัสักกี่ตังค์กันเอค่าน้ำค่าไฟเดือนรัสักกี่ตังค์กันนอันนี้ถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเราจะไม่มีรายจ่ายน้อยมากเราก็ไม่ต้องไปดินน้นนนทําหาเงินหาทองด้วยการทําบาป ด้วยการโกหกบ้างช่อโกงบ้างไม่ต้องทำแบบนั้นเราก็จะได้มีเวลาว่างเพราะเราจะหยุดวันไหนก็หยุดได้เราอยากจะมาเรียนรู้เรื่อง ความสุขที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้และที่เราจะต้องหมดไปต่อไปในอนาคตต่อไปในอนาคตความสุขที่เราหากันได้ในขณะนี้เราจะไม่สามารถหามันได้หาได้ก็น้อยมากหาแบบแบบคนแก่หาอย่างนั้นความสุขแบบของคนแก่ แล้วก็จะมีความทุกข์ทางร่างกายมาคอยกดดันจิตใจเราด้วยแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้หาความสุขที่เราได้จากการหาการปฏิบัติธรรมนี้มันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนไปกับความทุกข์ทางร่างกายความทุก น้ำหนักของความทุกข์ทางร่างกายนี้สู้น้ำหนักของความสุขทางจิตใจไม่ได้น้ำหนักของความสุขทางจิตใจมันมากกว่าจนทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มากระเทือนใจแต่อย่างใดรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันปวดแต่ไม่ทรมานใจเพราะใจมีความสุขใจมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการภาวนาจากการรักษาศีล น, นี่แหละเป็นสิ่งที่ พวกเราควรที่จะาหาเวลามาวาัดกันขั้นต้นถ้าเรายัางไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรก็มาศึกษามาอ่านหนังสือธรรมะดูทำไมเราต้องทำบุญทาทานทำไมเราต้องรักษาศีลวันนี้ก็บอกแล้วว่าต้อง และทําทานเพื่อที่จะกําจัดความอยากใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปในการหาเงินหาทองเพราะการทําบาปมันมีโทษตามมาเวลาตายไปนี่เราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องอยู่ต่อไปเราจะอยู่แบบไหนอยู่แบบสบายหรืออยู่แบบทุกข์ถ้าเราทําบาปใจเราจะอยู่แบบทุกข์ อยู่แบบเดราชฉานอยู่แบบเปรตอยู่แบบวัศลกาอยู่แบบนรกเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีหน้าพอเรารู้เราก็จะรักษาได้เพราะว่าถ้าเราทำบุญทาทานเราหยุดความอยากใช้เงินใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆได้เราก็ไม่ต้องไปทำบาปในการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะรายจ่ายสำหรับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไม่มากเหมือนกับรายจ่ายที่เราใช้กับ ความอยากต่างๆเราก็จะรักษาศี่ห้าได้ง่ายแล้วพอเรารักษาสี่ห้าได้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เต็มร้อยที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดถ้าเรารักษาศีลได้ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกสามข้อมันก็ไม่ยาก เพียงแต่หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเองหยุดการร่วมหลับนอนกับแฟนเอก็เริ่มต้นก็นไม่ต้องเลิกกันเพียงแต่ว่าขอขอเลิกกันแค่วอาทิตย์ละวันอขออยู่กันคนละเตียงนอนกันคนละห้อง อ, อยู่กันคนละที่ไม่ให้ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะไปลองหาความสุขจากการฝึกจิตฝึกสมาธิทําจิตให้สงบเออ เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่หยุดกิจกรรมทางร่างกายเราจะไม่มีเวลามาทํากิจกรรมทางจิตใจนั่นเองเลยพระพุทธเจ้าเลยต้องบังคับให้ถือศีลแปดกันพวกที่อยากจะไปหาความสุขทางจิตใจต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายศีลข้อสามที่กลยถือก็เปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกัน ถ้าถือศีลห้านี่ยังอนุญาตให้ร่วมดับนอนได้แต่ต้องเป็นคู่ครองกันแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นคู่ครองก็ไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าจะถือศีลแปดนี้ถึงแม้จะเป็นคู่ครองก็นอนด้วยกันไม่ได้จะละเว้นจากการเสพการรมข้อที่สามก็จะเป็นอัปปรมัจจลิยาเวระมณีแล้วข้อที่หกก็เพิ่มข้อที่หก อย่าไม่หาไม่กินแบบไม่มีเวลามเวลาไม่กินตามความอยากกินอาหารแบบกินยากินเพื่อดับความหิวความหิวนี้ก็เป็นเหมือนโรคชนิดหนึ่งเมื่อมันหิวก็ต้องกินยายานี้ถ้ากินสองครั้งก็เหลือเฟือจะไม่หิวจะไม่ตายพูดง่ายงหิวอาจจะหิวให้ที่หิวก็ไม่ใช่ร่างกายหิวให้ที่หิวมันใจหิวใจมันคยกิน พอมันถึงเวลามันก็อยากจะกินพอมันไม่ได้กินมันก็หิวขึ้นมาแต่มันไม่ได้หิวที่ร่างกายเพราะว่าร่างกายไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่เป็นอะไรจากการที่ไม่ได้กินนะข้าวหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเออยู่ได้ไม่ตายรับรองได้เออ แต่บางบางท่านอาจจะอยู่กินแค่หนงเดียวเสียด้วยซ้ําไปแทนที่จะกินสองมื้อก็กินมื้อเดียวไปเลยรวมกันเติมน้ามันสองครั้งกับเติมน้ํามันครั้งเดียวมันก็เหมือนกันอ่ะเพราะถังมันก็ถังเดียวกัน่ะท้องมันก็ขนาดเดียวกัน่ะกินให้มันเต็มท้องไปเลยแล้วจะแบ่งเป็นสองสองตอนก็ได้กินใส่ไปครึ่งท้องก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็เข้ามาใส่อีกครึ่งท้องผลมันก็เท่ากันเอ พวกที่เขากินมื้อเดียวเขาก็เลยวะขี้เกียจแบ่งแยกไหนๆก็มันก็ได้ขนาดเดียวกันกินได้เท่านั้นก็กินมินทีเดียวพร้อมกันไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวบวกที่กินมื้อเดียวยิ่งยิ่งจะสบายเพราะหลังจากกินเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมารอกินอีกมื้อหนึ่งก็จะได้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมได้นี่คือศียข้อหงคือไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว สินค้อเจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนือ้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวจะเสียเวลามากถ้าเราไปหาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงเดี๋ยวก็จะดูหนังดูละครเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่น ถ้าทํากิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ต้องยกเลิกแล้วศีนข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่า น, นอนมากกันไปเดี๋ยวก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมอีกเนี่ยก็ให้นอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอะร่างกายเวลาง่วงจริงๆนอน น, นอนแบบไหนก็หลับทั้งนั้นอยู่ในท่าไหนก็หลับนั่งอยู่ในรถยังหลับได้เลยเห็นพระพุทธเจ้าก็สอนว่า ถ้าจะให้นอนแบบพักผ่อนร่างกายก็อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจมันจะไม่อยากลุกเพราะมันนอนบนที่นอนที่สบายมันก็ขอนอนต่อมันก็จะหมดเวลาไปสามสี่ชั่วโมงก็จะไม่ได้เอ า, าเวลามาปฏิบัติทำแต่ถ้านอนแบบ ที่ร่างกายมันไม่สบายแต่มันหลับได้ฉันนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งนอนกับพื้นปูผ้าปูเสือ่อพอไม่ให้ร่างกายมันถูกความเย็นดูดเข้าไปพอร่างกายง่วงจริงๆมันก็หลับได้แล้วพอมันได้พักผ่อนเต็มที่มันก็ตื่นขึ้นมา แล้วพอตื่นแล้วมันก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันนอนไม่สบายนอนกับพื้นนอนกับของแข็งแข็งนี่เจ็บหลังเจ็บกระดูกสู้ลุกขึ้นมานั่งดีกว่าลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่า น, นี่คือทำไมจึงต้องถือศีลแปดกัน เพราะการถือศีลแปนี้เป็นการดึงเอาเวลาที่เราไปใช้กับกิจกรรมต่างๆนี้มาใช้กับการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเราถือศีลแปแล้วหลังจากที่เราฉันกินข้าวเชี่ยงวันเสร็จแล้วนี่ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเวลานอนนี้เป็นเวลาว่างไปเลยเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะไปปฏิบัติโดยที่ไม่ต้อง มากังวลกับกิจกรรมทางร่างกายต่อไปถ้ายังกินข้าวเย็ยนอยู่เดี๋ยวก็ต้องร อ, อหลังจากเที่ยงก็ต้องรอกินข้าวเย็ยนอีกจะไปปฏิบททัติธรรมก็ยังปฏิบัติแบบ อ, อใจมันยังภาวะโผงอยู่กับเรื่องการกินเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยถ้าขึ้นแล้วให้มันขึ้นบินตรงไปเลยดีกว่าสิบสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงดีกว่าขึ้นไปได้สองชั่วโมงอ่ะลง อ, ลอีกล่ะ การปฏิบัติก็แบบนี้เป็นเหมือนการการขับเครื่องบินเราต้องการดึงจิตให้ขึ้นสูงแต่ถ้าเราคอยดึงมันมาให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอยู่เรื่อยๆมันก็ขึ้นสูงไม่ได้ขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งเราต้องลงใหม่แล้วลงมาได้หน่อยเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปได้นี่เรามีเวลาอย่างน้อยก็สิบชั่วโมงถึงเวลานอน ตั้งแต่เที่ยงไปในสิบชั่วโมงเราเอามาปฏิบัติรรมาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ได้เต็มที่ยิ่งถ้าเรากินมื้อเดียวนี้บางทีตั้งแต่แปดโมงนี่กินกินตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาแปดโมงก็เสร็จละแปดถึงสี่ทุ่มนี่ก็ได้สิบสี่ชั่วโมงได้เวลามากกว่าได้เวลา ปฏิบัติเพราะเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาเราถึงจะทาจิตให้สงบได้ไม่ใช่จะปฏิบัติแต่เฉพาะเวลาเรามานั่งเท่านั้นการมานั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่การปฏิบัติจริงๆนี้ต้องปฏิบัติตั้งแต่เรามีเวลาว่างไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องไปทําอะไรเราจะได้มาควบคุมความคิดของเรานั่นเองเราต้องการหยุดความคิดให้ได้ เพราะจิตของเราจะสงบก็ต้องจิตก็ต้องหยุดคิดถ้าจิตไม่หยุดคิดก็ไม่มีวันที่จะสงบได้และการที่เราจะทำให้มันสงบได้เราก็ต้องพยายามหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆการจะหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้เครื่องมือสร้างสติเครื่องมือสร้างสติเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน เป็นเครื่องมือที่จะเราจะใช้สร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาหยุดความคิดถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติมีอยู่สี่สิบวิธีวิธีที่เราได้ยินบ่อยๆจากที่นี่ก็คือพุทโธพุทโธ ให้เราเรารึกถึงพระพุทธเจ้าเรียวกว่าพุทธานุสติตั้งสติให้มีสติอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าเราก็ท่องพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเราล้องเพลงภายในใจเนี่ยแทนที่จะล้องเพลงเราก็ล้องพุทโธแทนเหมือนกันแต่ดีกว่าตรงที่พุทธโธไม่มีอารมณ์ไม่ได้ทําให้เรา้สึกเหงาว้าเว แต่เวลาร้องเพลงนี่ร้องเพลงถึงแฟนคิดคอยมีความสุขกับแฟนพอมาร้องแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเศร้าเกิดอาการเหงาขึ้นมาได้ดังนั้นอย่าไปร้องเพลงมาร้องพุโทโธดีกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันจะเคลียความคิดต่างๆการคิดต่างๆมันจะหยุดเข้ามาในใจไม่ไม่ไม่นา จ, จะเข้ามาก็อย่าไปสนใจ ถ้าาพุโทโธไปมันก็ยังอยากไปคิดค้นถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็สู้กับมันไปแล้วก็ยุ่สู้กับมันด้วยกันอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาในใจหรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราจะใช้คําอื่นก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้ใช้สังโคก็ได้หรือใช้บทสวดมนต์ก็ได้ ถ้าเราท่องเอติปิโสได้ก็ลองเอติปิโสไปเรื่อยก็ได้หลายหลายรอบพอหมดรอบที่หนึ่งก็เริ่มรอบที่สองเอติปิโสภกากรวาอาลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตท่องไปภายในใจอยู่เรื่อยหรือว่าถ้าท่องแล้วมันเหนื่อยอยากจะหยุดก็เปลี่ยนมาดูร่างกายเราก็ได้ ดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ออก็คอยเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปร่างกายกำลังเดินก็เดินกับมันไปมันยืนก็ยืนกับมันอย่าไปที่อื่นใจเรามักไม่ชอบอยู่กับร่างกายร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่บ้านแล้วบางที ไปอยู่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้จะไปทำอะไรสึกแล้วจะได้ไปทำอะไรต่อแล้วเนออีเออ่ยมันไม่อยู่ปัจจุบันเราต้องดึงให้มันอยู่ปัจจุบันอยู่กับร่างกายเพื่อมันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนีออ้ถ้าเราควบคุมใจมีสติได้พอเราไปนั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็ดูลม เลือพูดโธต่อทํำไมเราต้องนั่งเพราะว่าถ้าไม่นั่งจิตมันยังต้องทํางานอยู่ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่สแสดงว่าจิตยังทํางานอยู่เพราะจิตเป็นคนทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวไงร่างกายนี้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรหุ่นกระบอกให็มไหมหุ่นกระบอกนี้ถ้าคนคนเชิดไม่เชิดมันมันก็มันก็จะอยู่เฉยแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวนี้สแสดงว่าคนเชิดกําลังทํางานกําลังเชิดให้มันยกแขนยกขาเอ ท่านต้องการให้คนเชื่อนี่อยู่เฉยๆก็ต้องให้หุ่นกระบอกอยู่เฉยๆถ้าต้องการให้จิตสงบก็ต้องให้น่างกายนั่งเฉยๆไม่ให้เคลื่อนไหวพอนั่งสมาธิแล้วอย่าไปขยับร่างกายอย่าไปสนใจกับร่างกายถึงแม้จะรู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้อยากจะเกาอย่าไปเกาถ้าเกานี่แสดงว่าหนึงจิตมาทํางานแล้ว หรือว่าถ้านั่งแล้วรู้สึกว่ามันเอ็นไปทางซ้ายเอ็น mm hmm. ไปทางขวาอยากจะปรับร่างกายก็อย่าไปปรับมันปรับมันก็เท่ากับเอาเอาจิตมาทํางานนะอย่าไปสนใจกับความรู้สึกส่วนใหญ่มันหลอกเราให้เราอยู่กับพุดโธพุดโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วอาการต่างๆที่มันมาหลอกมาล่อเรามันจะหายไปเองอาการคันสักปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปสนใจกับมัน บางคนก็มีปัญหากับนั่งแล้วอยากจะกืนน้ำลายอยู่เรื่อยๆกลัวเดี๋ยวน้ำลายจะไหลไม่ต้องไปกลัวละมันไม่ไหลหรอกเราไปคิดเองว่ามันจะไหลถ้าเราอยู่กับพูดโทอยู่กับลมไปมันไม่ไหลหรอกอย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจแล้วเราจะติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ นั่งไปสักสองสามนาทีก็ขอคืินน้ำลายนักทีนั่งไปสองสามนาทีก็คืินน้ำลายมันก็ไปไม่ได้เพราะจิตมันไม่หยุดทำงานจิตมันยังมาเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่เรื่อยๆเหตนพอเราเริ่มนั่งแล้วเราอย่าไปให้ความสำคัญกับอะไรให้คำให้สำคัญอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมไปอย่างเดียวนั่งไปแล้วมีแสงมีสีมีภาพมีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจ อันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงเป็นของแถมแต่อย่าไปหลงกับมันให้เรากลับมาอยู่ที่พุทธโธต่อไปดูลมต่อไปจนกว่ามันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลามันดิ่งบางทีมันก็เหมือนตกหลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็เบาสบายมีความสุขอย่างมากปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนั้น ความคิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยๆรู้ว่าโอตอนนี้สบายเหล้อเกินตอนนี้มีความสุขเหลือเกินก็พยายามใช้สติประคับประคองไว้อยากให้มันทำอะไรอยาให้มันคิดนะให้มันรู้เฉยๆไปแล้วก็อยู่ไปให้นานที่สุดทเท่าที่จะนานได้ตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่เจริญในตอนที่จิตสงบ การจะเจริญปัญญานี่ต้องเจริญตอนที่ออกจากสมาธิมาก่อนนะตอนจิตสงบนี้เราไม่ต้องการที่จะให้จิตทํางานจิตกาลังพักอยู่การเจริญปัญญาเป็นการทํางานของจิตซึ่งไม่ควรจะทําทตอนนั้นเหมือนกับเวลาที่เราหลับนอนนี่นอนหลับเราไม่ปลุกร่างกายขึ้นมาทํางานเราต้องการให้ร่างกายพักให้เต็มที่ก่อน เราล่างกายตื่นขึ้นมาเองแล้วเราค่อยออกไปทางานต่อจิตก็แบบเดียวกันเวลาจิตเข้าสมาธิไม่ใช่เวลาทำงานเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาสร้างกำลังให้กับจิตเพื่อที่จะได้ไปทำงานได้อย่างเต็มที่เวลาออกจากสมาธิมาอันนี้นี่คือขั้นตอนขั้นแรกที่เราต้องทำให้ได้คือให้ได้สมาธิก่อน เราต้องใช้แบบชํานาญโดยไม่ใช่ให้ได้ผลเดียวแล้วก็จะไปทางปัญญาเลยเพราะถ้าไปทางปัญญามันจะคิดพอมันคิดแล้วต่อไปจะกลับไปในสมาธิไม่ได้เพราะมันจะไม่หยุดคิดงี้นเราต้องหัดหยุดคิดให้มันชํานาญสั่งให้มันหยุดคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการต้องการให้มันสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราสามารถควบคุมความคิดสั่งความคิดให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการ หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงควรจะไปทางปัญญาต่อไปถ้าเราไม่ไปแล้วก็เรียกว่าติดสมาธิเนี่ยก็จะไม่ก้าวหน้าไปกว่าขั้นสมาธิแต่ถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าเพราะยังมีขั้นนึ่งเราต้องขึ้นไปก็คือขั้นปัญญาแต่เราต้องรอให้เราสมาธิของเราแน่นก่อนชานานก่อนสามารถสั่งมันได้ทุกเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นเราถึงไปทางปัญญาต่อไป เพราะการไปทางปัญญาจะทำให้เรากาจัดสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจเราวุ่นวายให้หมดสิ้นไปได้และจะทำให้จิตใจเราสงบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่คือขั้นต่อไปนี่คือวิธีสร้างความสุขที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นการ เป็นการสร้างด้วยใจไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจนี้ยังสามารถสร้างความสุขนี้ได้อยู่แก่ก็สร้างได้นอนเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลก็สร้างได้เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติกับปัญญานั้นเองถ้าเราสามารถสร้างความสงบ สร้างความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงมีที่พึ่งที่จะปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเสียต่อไปเนของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเท้งมันหมดนะไม่ทิ้งแล้วเราไม่ทิ้งเขาเขาก็เท้งเรานะอยัง้งเราต้องเตะ ต้องมีอะไรมาลองรับต้องมีความสงบมาลองรับแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจเราจะมีความสุขไปตลอดนี่คือหน้าที่ของพวกเราเทพดาเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ให้พวกเรามาก็ทำกันในวันพระวันพร ะ, น, พระนี่เป็นเหมือนกับการมาชิมอาหารรสใหม่ถ้าชิมแล้ว ถ, ถ้าพอได้สัมผัสรสใหม่แล้วรับรองได้ว่าจะติดใจจะมาบ่อยขึ้นจะมามากขึ้น แล้วต่อไปก็จะไม่ไปเลยมาแล้วไม่กลับเลยมาอยู่วัดไปตลอดเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เองอการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง เอวเมวอิโตทินังเปตางนังอุปปักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจชะโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโชติอาราโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินัสสตูมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสสลิสานิจจอุทตาปจายิโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลั วันนี้ก็มาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบเอ็ดยูสองร้อยเก้าสิบวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังข้างบนนี้แปดสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบสองครับเกือบแต่แปดร้อยใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามเองก็ส่ง ใส่เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีคาถามทางบ้านก็ถามได้นะําถามจากผู้ฝากถามเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ผมเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมสีเก่าคือสีเทาแถบขาวแต่ช่างเปลี่ยนให้เป็นสีแดงผมเกิดวันพุธไม่สบายใจที่กลัวสีรถจะไม่ถูกโฉลกอยากจะปล่อยวางกับสีรถแต่ใจไม่ยอมรับเลยครับผมจะต้องแก้ไขจิตใจตรงนี้ได้อย่างไรครับใจนึงก็บอกว่าปล่อยวางได้อีกใจนึงมันแย้งในใจว่าไม่เอาครับ ก็ลองฝืนใจดูใช้เหตุผลบอกว่ามันสีมันไม่ได้มีเหตุผลอันใดที่จะทําทให้ลดเสียหรือลถไม่เสียเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุการขับรถนี่เหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุตัวหลักก็คือการไม่มีสติขับรถแล้วใจลอยหรือรีบร้อนไม่ดูถนนใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ พอมีเหตุการณ์กระทันหันก็อาจจะออยับยั้งไม่ได้อืงนั้ไม่ต้องไปกลัวว่าเปลี่ยนสีแล้วจะเกิดวิปัติอะไรขึ้นมาแต่ถ้าให้อย่างให้สบายใจก็ไปเปลี่ยนสีใหม่ก็ได้นี่ก็ยอมเสียเงินท่าหน่อยเลยบอกช่างเขาบอกว่าไม่ได้ตกลงให้ใช้สีนี้ก็ถ้าเพื่อความสบายใจแต่ถ้า่จะต้องการแก้จริงๆก็ต้องยอมใช่เหตุใช้ผละ ว่าสีมันไม่มีมันไม่มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะทำให้เราดีหรือชั่วนะที่จะทำให้เราเจริญหรือเสือ่อมไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยยันไม่ต้องไปเชื่อใจใจมันหลงมันงมงายมันนานตอนนี้เราได้พบแสงสว่างแห่งธรรมแล้วที่สรงสอนว่าดีชั่วอยู่ที่สตินี่แหละถ้ามีสติแล้วจะดีถ้าขาดสติแล้วจะไม่ดีนะ เห็นขอให้เรามาแก้ที่สติดีกว่าพยายามทำอะไรฝึกอะไรให้มีฝึกสติอยู่เรื่อยๆทำใจเย็นๆอย่ารีบร้อนขับรถไปไหนมาไหนเอาความปลอดภัยเป็นหลักแล้วมันก็จะปลอดภัยคำถามต่อไปจากคุณดอกไม้คนที่เป็นโรคจิตเวทหรือซึมเศร้าไม่มีสมาธิ ควรเริ่มต้นฝึกจิตอย่างไรครับก็ฝึกให้มีสติกับคืนมาก่อนเพราะคนที่ซึื่มเศร้าก็เกิดจากคิดมากคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วพอไม่ได้ก็ซึื่มเศร้ายันหยุดความคิดเสียทาจิตให้สงบให้ได้ฝึกสติอยู่ที่ว่าเขาจะฝลิกจิตเขากลับมาได้หรือเปล่าเพราะอย่าปล่อยให้คิดต้องบังคับให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป หรืออยู่กับการสวดมนต์ไปอย่าคิดยิ่งคิดยิ่งเศร้าพอเราหยุดคิดเนื้อความคิดเบาลงใจก็จะสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่ความคิดนี้นะคิดไปในทางความอยากแล้วก็จะทำให้เศรา้าคิดไปในหยุดความคิดไปในทางความอยากได้ใจก็จะหายเศร้าคำถามต่อไปจากคุณเอ็นเจ ถือสินแปดหลังเที่ยงชงโกโก้ผงใส่แต่น้ําตาลเท่านั้นได้ไหมเจ้าคะกับพวกดาร์กช็อกโกแลตไม่มีนมปนได้ถ้าไม่มีนมก็ใช่ได้พวกผงกาแฟผงชาผงโกโก้นี้ถือว่าเป็นของอนุ ญ, ญาตให้รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ห้ามก็คือนมนมนีน่นนถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของอาหารไม่ว่าจะนม นมขน้นนมเทียมนมผงอะไรก็ตามถือว่าอยู่ในกลุ่มของอาหารค็อกี้เมดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนั่นก็กินแบบไม่ต้องมีนมก็แล้กัเกนเก่งจริงก็ไม่ต้องกินมันเลยมันไม่ตายหรอกดื่มน้ำเปล่าสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆก็คือน้าเปล่าร่างกายมันไม่ต้องการผงโกโก้ไม่ต้องการน้ำตาล ถ้ามีน้ำตาลก็ดีเหมือนกันเพราะบางทีมันช่วยให้มีกำลังน้ำตาลนี่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงของของร่างกายพอไม่ได้ไม่ได้รับประทานอาหารถ้าได้น้ำตาลมันก็ช่วยให้มีกำลังขึ้นมาได้แต่อย่าไปกินจนมันติดแล้เดี๋ยวเวลามันไม่มีกินมันก็จะทุกข์เอนไหนจะเลิกมันก็เลิกมันให้มันไปหมดเลทีเดียวเอาแต่น้ำเปล่าไปอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณสุนัน์อา น, นิสง์จากการทําบุญใส่บาทกับการถวายสังฆทานได้เท่ากันไหมคะคนคนถวายได้เท่ากันวิอยู่ที่ปริมาณของเงินทองที่เราถวายไปเอถ้าถวายสังฆทานร้อยบาทใส่บาทร้อยบาทก็ได้เท่ากันแต่ประโยชน์ของผู้รับนี้ไม่เหมือนกัน พราะพูดตามหลักของธรรมแล้วถ้าบิณฑบาตนี้ก็จะได้มันก็เหมือนกันเพราะถ้าบิณฑบาตตามหลักของธรรมการบิณฑบาตนี้ก็เป็นการรับสังฆทานอย่างหนึง่งเพราะอาหารที่ได้รับจากบิณฑบาตนี้ท่านห้ามไม่ให้เอาไปใช้คนเดียวไม่ให้ไปกินคนเดียวให้เอามาแบ่งกันมันก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกันเย่นการใส่บ่ายก็เป็นการสังฆทานอีกอย่างหนึง่งแต่ในยุคปัจจุบันนี้ บางทีมันเปลี่ยนไปการบิณฑบาทนี้กลายเป็นของส่วนตัวไปใครไปบิณฑบาตใครได้อะไรมาก็เป็นของขององค์นั้นไปไม่เลยเป็นสังฆทานแต่ถ้าทําตามหลักของพระวินยัยตามหลักของพระสายพระปา่าการบินฑบาทนี้ยังถือว่าเป็นสังฆทานอยู่เพราะพระที่ไปบิณฑบาตได้ะะรัลาภานมาก็จะไม่เก็บไว้เป็นของตนจะเอาไปแบ่งกันที่ศาลา ด้วยการให้พระเถระพร ะ, พระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาหยิบของก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาตามลำดับต่อไปคำถามต่อไปจากคุณดำรง <c oughs> การเดินทุดงของพระแบบหมู่คณะและเดิน <c oughs> การที่พระเดินธุดงกันเป็นหมู่คณะเก <c oughs> ิดประโยชน์อย่างไรเพราะสมัยก่อน <c oughs> พ่อแม่ครูอาจารย์ <c oughs> ก็เดินกันไม่กี่องค์และเดินในปา่าคือ คำว่าทุดงนี้เราต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าไม่ได้อยู่ที่เดินเดินเป็นหมู่คณะหรืออะไรคำว่าทุดงคือข้อปฏิบัติพิเศษที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พระใช้ถ้าต้องการที่จะเร่งการปฏิบัติให้ก้าวหน้ามากขึ้นมีสิบสามข้อทุดงขวัต ทุดงควัดที่เกี่ยวกับการไปอยู่เดินทุดงในป่าก็คือถ้าอยู่วัดแล้วมันมีภาระหน้าที่มีคนเกี่ยวข้องเยอะเวลาที่จะปฏิบัติมันน้อยถ้าพระต้องการมีเวลาปฏิบัติท่านก็บอกว่าไปอยู่ในป่าไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวหรือสองสามคนแต่ไปแล้วก็ให้ไปแยกกันอยู่ไม่ให้ไปอยู่ที่เดียวกันแต่เวลาไปอาจจะ ถ้ายังไม่จิตยังไม่แข็งอาจจะให้มีเพื่อนติดไปด้วยเป็นเพื่อนกันแต่พอไปถึงในป่าแล้วก็ไปอยู่ถึงที่เราจะปักหลักปฏิบัติก็ให้ยากอยู่กันคนละ ม, มุมอย่าอยู่ใกล้กันอย่าเห็นหน้ากันอันนี้คือหลักของทุดงคือการอยู่ป่า<ม>เป็นทุดงขวัดข้อหนึ่งอยู่ปา่าอยู่ตามคนไม้ แต่วิธีจะไปนั้นจะไปแบบไหนก็แล้วแต่จะเดินกันเป็นขบวนไปประกาศให้มีมีการถ่ายทอดสดมีการถ่ายรูปถ่ายภาพส่งมาทางสื่อต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นทุดดงแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วเป็นการโฆษณาถ้าพระทุดงจริงๆนี้ท่านไม่โฆษณาท่านไปเปกเว้วิเวกท่านไม่ต้องการให้คนรู้ พราคนรู้แล้วเดี๋ยวมันจะตามไปกันนะอย่างมะยิ่งพระกรูบาอาจารย์นี้ไปไหนท่าจะไปปีกเว้ยนี้ต้องหนีไปไม่ใช่ประกาศให้ลูกศิดลูกหาหรือว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่นะอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านหนีไปอยู่คนเดียวช่วงอายุเจ็ดสิบแล้วหกสิบแล้วเนี่ยหกสิบถึงอายุเจ็ดสิบเนี่ยท่านต้องไปปีกเวกอยู่ในป่าที่เชียงใหม่ แล้วท่านต้องคอยเปลี่ยนที่เพราะอยู่แล้วเดี๋ยวพอคนรู้ตามมาหาท่านนะท่านก็ต้องเปลี่ยนที่เดี๋ยวมีพระรู้ญาติโยมรู้ก็ตามมาตามมารบกวนท่านก็ต้องเปลี่ยนที่ย้ายที่ไปเรื่อยๆไม่ให้ใครรู้นี่คือการทุดดงที่แท้จริงเป้าหมายของการทุดดงก็คือต้องการไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่ให้มีใครมารบกวนการปฏิบัติของตน คำถามต่อไปจากคุณกำพลถ้าเราเริ่มถือศีลห้าในวันพระกับวันธรรมดาจะได้บุญเท่ากันไหมครับอ๋อเหมือนกันนะมันอยู่ที่ศีลอยู่ที่การรักษาศีลไม่ได้อยู่ที่วันวันพระหรือวันอะไรถ้ารักษาศีลก็ได้อนิสงส์ถ้าไม่รักษาศีลก็ไม่ได้อนิสงส์ไม่ได้ประโยชน์เพราะการรักษาศีลเป็นการปิดประตูบ่าย ถ้าเราไม่รักษาศีลก็เท่ากับเราเปิดประตูอาบายถ้าเราไม่ต้องการจะตกไปในอาบายเราต้องคอยปิดประตูไว้อย่าเปิดพอเปิดแล้วเดี๋ยวเผลอเดินเข้าไปตกเข้าไปในอาบายคําถามต่อไปจากคุณสิริพรโยมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและมีสติเสมอในใจ โยมจะท่องพุทโธตลอดไม่รู้ว่าโยมทำถูกไหมคะขอคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเท่าที่ฟังดูก็ถูกแต่ถ้าจะให้มันถูกจริงๆต้องดูผลของการกระทำของเราว่าจิตเราเป็นอย่างไรจิตเราสงบมากขึ้นไหมสบายมากขึ้นไหม ความโลภความอยากน้อยลงไปไหมอารมณ์ต่างๆน้อยลงไปไหมต้องดูตรงนี้ถึงจะเรียกว่าถูกจริงเพราะบางทีการกระทำของเราอาจจะเป็นเพียงกิริยาแต่ไม่เข้าไปถึงตัวจิต ถึงแม้จะพุโทโธอยู่แต่พุโทโธแบบลอยลอยพุโทโธไปก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังวิตกกังวลยังห่วงใยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ถือว่าทาถูกแต่ไม่ถูกใจไม่ถึงใจทําอยู่ที่ร่างกายทําเป็นกิริยาต้องดูผลที่ใจว่าใจเราสงบมากขึ้นไมสบายมากขึ้นไหมเบามากขึ้นไหมเย็นมากขึ้นไหม คำถามต่อไปจากคุณวิไลลักษณ์ท่านที่สาเร็จอริยบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันยังเล่นหวยเล่นเบอร์อยู่หรือเปล่าคะคิดว่าคงไม่เล่นะนะเพราะว่าท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสรรเสริญของเงินข้าวของเงินทองท่านไม่หวังอยากจะร่ำอยากจะรวยแล้วเป็นพระอริยบุคคลนี่ท่านอยากจะไปนิพพานอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณวิชัยตอนเราศึกษาธรรมะผ่านโซเชียลมีเดียเปิดดูพระสามรูปพร้อมกันเพื่อดูความสอดคล้องกันจะได้ไหมครับจะได้คอยจับผิดพระด้วยว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมสอนผิดหลักของพระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้ได้บุญมากไหมครับก่อนที่เราจะไปจับผิดเขาได้เราจะผิดตัวเราเองได้หรือเปล่าจับผิดตัวเราก่อนเถอะ ไปจับผิดคนอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราจับผิดตัวเราดีกว่าเราได้ประโยชน์มากกว่าแล้วการที่เราจะจับผิดใครไม่ว่าเราหรือผู้อื่นเราก็ต้องมีเครื่องมือจับคือธรรมะถ้าเรายังไม่มีธรรมะเรายังจับผิดตัวเราเองไม่ได้ก็อย่าไปจับผิดคนอื่นเลยอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเขาจะเป็นทแท้พระปองก็เรื่องของเขาขอให้เรา แก้ปัญหาของเราให้ได้ก่อนให้เราศึกษาธรรมะให้ท่องแท้ก่อนเราถึงจะสามารถไปจับผิดคนอื่นได้แต่ไาม่ได้จับผิดหมะถึงจะรู้ได้ว่าเขาผิดหรือถูกดีกว่าเพราะคนมีธรรมะจริงๆไม่มีใจที่จะไปยุ่งกับใครหรอกแต่ถ้าเห็นเกิดมีเหตุการณ์ต้องให้รับรู้ก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรได้ถ้ามีธรรมะธรรมะนี้เป็นเหมือนมาตรฐานที่จะวัดว่า คนที่พวนี้อยู่ในมาตรฐานของธรรมะหรือเปล่าคําถามต่อไปจากคุณสุกัญญาตามที่โหราศาสตร์ทํานายเรื่องดวงดาวย้ายลักษณะมีดีบ้างไม่ดีบ้างมีผลกับมนุษย์จริงหรือไม่อย่างไรเจ้าคะไม่ไม่รู้นะไม่น่าจะมีจริงนะดวงดาวมันไม่รู้เรื่องของมนุษย์หรอกดวงดาวมันก็โคจรไปตาม ที่เราเรียกว่าทางทางฟิสิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพลังของการเคลื่อนไหวของดวงดาวที่มันต้องโคจรไปตามกำลังของมัน แล้วเรามืก็ไปสมมุติว่ามันชื่อนั้นชื่อนี้พอดาวดวงนั้นชื่อนั้นมาเจอดาวดวงนี้ชื่อนี้อ้าวมันไม่ตรงกันแล้วสุกัสเตามันทำให้เกิดนู่นเกิดนี่อันนี้เป็นการปรุงแต่งเป็นการมโนเขาเรียกสมัยนี้เขาเรียกคาว่ามโนปรุงแต่งคิดกันขึ้นมาเองแล้วก็เชื่อกันไปเองหลงกันไปเองตามความจริงแล้วดาวดวงดาวมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับมนุษย์ข้มอย่างพวกเรา มันไม่สนใจเธอได้ซ้ำไปมันก็โครจรไปตามวิถีของมัน คำถามต่อไปจากคุณวิในการปฏิบัติธรรมเรายังนั่งสมาธิได้ไม่นานถ้าเรากลับไปทําสติ30นาทีและกลับมานั่งสมาธิ30นาทีพอมีเวลาเรากลับไปทําสติอีก30นาทีทําสมาธิ30นาทีสลับไปสลับมาทํำบ่อยๆการปฏิบัติแบบนี้จะดีขึ้นไหมเจ้าขาน่าจะดีขึ้นนะถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกสติให้มีตลอดเวลา ยิ่งมากกว่าสามสิบนาทีได้ยิ่งดีปฏิบัติไปทั้งวันเลยให้มีสติทั้งวันทุกเวลานาทีเวลานั่งก็มีสติเวลาไม่นั่งก็มีสติสติต้องมีตลอดเวลาแล้วก็ให้ดูผลว่ามันสงบไหมคำถามต่อไปจากคุณมานี เวลาคิดไม่ดีขึ้นมาหนูรู้ว่าไม่ดีแต่ห้ามมันไม่ได้ค่ะก็หยุดใช้พุโทโธใส่ถ้ามมันไม่ได้ก็หยุดมันได้ถ้าพอมันคิดไม่ดีแล้วก็เอาพุโทโธก็ามาหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปเลยมันก็จะคิดไม่ได้หรือว่าเครื่องคอยเตือนว่าอย่าคิดแบบนี้คิดแบบนี้แล้วมันทําให้เกิดความเสียหายทั้งกับเราแล้วกับผู้อื่น ถ้าเราคิดอย่างนี้สอนนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็หยุดคิดได้คำถามต่อไปจากคุณนุ่มความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเองแล้วเรารู้สึกผิดเราไม่ได้อยากคิดอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับแล้วต้องทำอย่างไรครับมันก็เป็นอกุศลเนี่ยมันมันยังไม่ถึงขั้นบาปคือมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าปล่อยให้มันออกไปทางกายทางวาจามันก็จะเป็นบาปขึ้นมา เห็นเวลามันเกิดก็ให้รู้ทันแล้วก็หยุดมันด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าคิดไปยาวแล้วเดี๋ยวมันจะกระจายออกมาทางวาจาทางร่างกายต่อไปคําถามต่อไปจากคุณสุดาวันการถวายของใช้ขั้นต่ำสี่รูปขึ้นไปจึงถือว่าเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่เรา อ, อันนี้เป็นการแปลความคําพุคําว่าสัง สังฆะคำว่าสังฆะคือคณะสงฆ์คณะพระภิกษุการที่จะเรียกว่าภิกษุนี้เป็นสงฆ์ได้ต้องมีพระภิกษุอยู่ร่วมกันสี่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นสงฆ์เป็นสังฆะแล้วการที่จะถวายของให้เป็นสังฆทานนี้ต้องต้องบอกว่าถวายไม่ได้ไม่ได้ให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ถวายให้เป็นส่วนกลางถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆทาน ถึงแม้ว่าจาะนิมนต์พระมาสี่รูปพระท่านนั บ, นบของสี่ชุดท่านเอาไปเก็บเป็นของขวัของมันนี่ก็ยังไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีถ้าในวัดมีพระมากกว่าสี่รูปเช่นมีอยู่สิบรูปแต่พระนิมนต์พระมาเพียงสี่รูปพอพระสี่รูปนับของไปก็เอาไปเก็บใช้ของขวัญของมันอย่างนี้ก็ไม่เป็นสังฆทานจะเป็นสังฆทานก็ต่อเมื่อท่านเอาไปเข้าเอาไปเก็บไว้ส่วนกลาง แล้วก็แบ่งกันใครต้องการอะไรขาดเหลืออะไรก็ไปหยิบได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆทานคำถามต่อไปจากคุณพีโกฉันทะราคะนันทิตันหาทั้งสี่ตัวมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับนั่นก็กิเลสเนะซึ่งนอกจากฉันทะฉันทะนี่บางทีก็เป็นกิเลสก็ได้เป็นธรรมก็ได้มันเป็นภาษามปลว่าความอยากความยินดี มันอยู่ที่ว่าอยากยินดีในเรื่องอะไรถ้าอยากยินดีในธรรมก็เป็นมรรคเป็นเป็นประโยชน์ถ้ายินดีในในในกามก็เป็นกิเลสเนี่ยนี่มันอยู่ที่ว่าไปยินดีกับอะไรหมดแล้วนะเออก็ดีวันนี้หมดก็จะได้เลอกก่อนชัางละชั่งนิดหน่อยหกนาทีคนก็กลับกันเกือบหมดละบนศาลานี้ก็เหลือคนเดียว